แนะนำบทอัตตากอบุลบทอัตตากอบุลเป็นบทมาดานิยะมี 18 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลเลาะห์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของพระองค์และร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์ได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลเลาะห์บทนี้ได้ยกอูทาฮอน ถึงเหตุการณ์ในสัตตวรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเสธบรรดาศาสนทูตของอัลเลาะห์และได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ตามและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์และศาสนทูตของพระองค์ได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลเลาะห์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคนและลูกๆบางคน เพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอัลเลาะห์บทนี้ได้จบลงด้วยการชายให้บริจาคในทางของอัลเลาะห์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์ให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตระหนี่และการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในทางของอัลเลาะห์โดยมุ่งหวังความโปรดปานของพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยุซบิหฺลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิละฮุลมุลกุวะละฮุลหัมดวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดิร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 และในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลเลาะห์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขอลอกัสซาวาติวัลอฎดะบิลฮักวะซอเราะกุมฟะอห์ซะนะซอเราะกุมวะอิไลฮินนะซีรความจริงพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงทําให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทําให้มีรูปร่างสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผืนดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและอัลเลาะห์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในทรวงอก Alam ya'atikum naba'ul ladheena kafaru min qabl fadhawqa wabal amrihim wa lahum 'adhabun aleem Khaw khrao khong bandaa phoo patidet sattha nai adeet mai dai ma yang phuak chao dok rue phuak chao dai lim rot ka long thot haeng kitjakam khong phuak khao nai lok nee lae kaan long thot an jep puat cha dai kae phuak khao nai wan pro lok ذلکا بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حميد نั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ชี้แน่ทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้ตราบเท่าทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะเราเป็นผู้ทรงบ้างมีทรงได้รับการสรรเสริญ ظَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن أل لَّيُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ยَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ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 และมันเป็นทางกลับที่ชั่วชายิ่งมาออซอบมินมุศิบะติอิลลาบิอัซนิลลาฮ์วะมันยูมินบิลลาฮิยะฮดิกัลบะฮ์วัลลอฮุบิคุลลีชัยอิงอะลีมไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุญาตของอัลเลาะห์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลเลาะห์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งวะอะฏีอุลลอฮะวะอะฏีอัรเราะซูละฟาอินตะวัลไลตุฟะอินนะมาอะลาเราะซูลินัลบะลาฆุลมุบีนละจงภักดีต่ออัลเลาะห์และภักดีต่อเราะซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของเราะซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้นอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์เถิด يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ਖ จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอัลเลาะห์นันนะที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่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 และผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่แห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสําเร็จหากพวกเจ้าให้อัลเลาะห์ยืมอย่างดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทน